คือไปไหว้พระทาตนะประทาต น, นะนี่เทวดาเอามาได้อยากเข้าใจว่าอาตมาเป็นู้เอามาเลยพอเจ้าอยู่หูราชการที่หกเพิ่นมาบ่อยมากเขาคุ้มหนูเลเทวดาผู้รักษาอยู่ที่รักษาอยู่นี้มีคุดรักษายักรักษาเทวดารักษาหนักรักษาเป็นเวะละเข้ากันเขารักษาอยู่จนตลอดไป พอเจ้ายูหัวเป็นผู้จัดการให้เทวดาไปหามาในโลกที่ใรเจ้าของเขานี้ไปเกิดแล้วให้เก็บมาวันที่นี้แต่ก่อนมานิดหน่อยเดี๋ยวนี้มามากโอ้หลายขนาดเลยะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนมาแล้วให้ขึ้นกราบไหว้เว่ากราบไหว้สักกาบูชาและก็กับบ้านกับเมืองของตนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนอีกแขนงหนึ่งฟังเทศแง่นหนึ่ง การให้ทานอีกแขนงหนึ่งการไหว้พระทะพระธาตุอีกแขนงหนึ่งเราจะได้เก็บสิ่งความดีให้ใจใจของเราทุกคนอย่าไปเอาความโ่วให้ใจให้เอาความดีให้ใจจ้าองต่อไปจะได้เกิดเมื่อหน้าก็คือใจเลื่อนไปร่างกายไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ตนนี้เกิดมาโฆษณาให้ตั้งใจของตนนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโลมตัสสะพระพวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเนภะโลปะเสมปติทาหนติกวานินนยานติ ณบัดนี้จะด้กล่าวว่าเรื่องบุญกุศลของเราทุกทุกคนเดี๋ยวนี้อย่างเป็มบุตุชนตั้งแต่วันเกิดมานี่แล้ววันหนึ่งทำอะไรกันให้เราคิดนึกให้ตัวของเราวันหนึ่งทำบาปวันหนึ่งทำบุญ ประปนกันไปตลอดไปเป็นนิดอันนี้พระเรยว่ากิจของพวกเราที่เป็นบุตรชนให้เราจงคิดนึกตั้งแต่บัดนี้เป็นตนต่อไปให้ทำความดีมากกว่าความชัว่วอย่าไปให้ความชั่วมันมากขึ้น ชีวิตของเรายังมีอยู่ในเวลาแบบเดียวนี้หน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนั่นเองจะมีหนทางไปเบื้องหน้าผู้ที่เพิ่มความช่วยให้มากเมื่อจิตหนีออกจากหลังกายก็ต้องไปสู่นรกทันทีบุคคลผู้เพิ่มความดีให้มาก บุคคลนั้นจิตออกจากกลางกายก็ต้องไปสู่สวรรค์รูปที่เกิดขึ้นไปมัวน้าบุญตกแต่งรูปที่ไปมัวน้าบาปตกแต่งอันนี้เพ็นเหล่บุตุชนในตัวของเราทุกคนในเวลาวัดเกียวนี้เรายังไม่รู้จักว่า มาจากที่ไหนมาบวชก็ไม่รู้หรือเรามาจากที่ไหนตัวของเรามาเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวนี้ก็ไม่รู้เราจะไปเบืองหน้าจะไปเป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้อันนี้พันเรียกว่ามืดมืดและนี่พันวุตถุชน ว่าบุญกุแปลว่าบุญกับบาปมันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนอันนี้ให้เราทุกคนนิสัยปัจจัยของพวกเราได้ทำความดีกันมาเกิดยินมีความพอใจในการสร้างความเพียบุญกุศลประการใดๆแต่ว่าสัมภ ะ, ะในการอยู่การกิน การหาประกันใดๆจึงได้เป็นที่ประกันการความดีกับความโช่ประกันใดๆในให้เราทุกคนจงคิดอ่านเสว่าชีวิตก็ไปมรณนใครไม่รู้จกว่าอายุจะยืนยาวขนาดใดไม่รู้เรื่องให้ตัวเราทุกคนจงคิดอ่านว่าการเพิ่มความดี เป็นนิสัยเป็นพัฒใจให้ใก้ใจของเราต่อตลอดต่อไปบันเดียวนี้ตัวของเรามีรูปร่างกายเป็นชีวิตแล้วสวยผลความสุขและความทุกข์ที่เบื้องหลังที่เราสะสมกันมาแล้วจึงได้ขึ้นชื่อว่าภูริชาตาปัจจโย แต่ผู้เรียกชาติบืงหลังเราได้ทำความดีได้ทำความชั่วกันมาขันมีแต่เรื่องความดีอย่างเดียวก็ต้องไปชูนิพพานแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องความชั่วนั่นเองมันอยู่เป็นคู่กันอยู่กับใจของพวกเราร่างกายของเรามันมีสองหนึ่งรูปร่างกาย สองใจใจมันมีสองหนึ่งบุญสองบาปอันนี้จะให้เราคิดนึกว่าเราเกิดมามีชีวิตอันนี้แปลว่าเราเปลียนมีชีวิตหนึ่งเราหมดชีวิตไปหนึ่งเราอายุยืนสองอายุไม่ยืนหนึ่งความทุก สองความสุขหนึ่งการทำความดีสองการทำไม่ดีอันนี้เพันเราว่าเป็นบุตุชนต้องมีสองอยู่อย่างนี้ตลอดไปให้เราคิดอ่านในตัวของเราให้ฝึกฝนให้เป็นนิสัยปัดใจใกล้ชิดตวันดิตต่อไปภายข้างหน้า เมื่อเราพุกผลเป็นนิสัยปัจจัยใกล้ชิดตบวันดิตแล้วอันนั้นเราเกิดชีวิตใด จ, จะได้พบปะหนึ่งองค์พุทธเจ้าสองพระอาราหันต์ทั้งหลายสามพระเจกพุทธะสี 4. พระฤอษีโยคีห้าพญาจักรพรรดิราษฎรชันเหล่านี้ทั้งห้าแปลว่าสอนคู่ผลมนุษย์ทั้งหลายให้ทำความดี ไม่ให้ทำความโชวประการใดบุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยแล้วได้หินเสียงคำสั่งสอนตนคงตนก็เกิดความพอใจอุตสาหาพยายามทำความดีของตนเพิ่มเติมอีกต่อไปภาคังหน้าจนกว่าพวกเราความดีชัยชนะเมื่อไรเมื่อนั้นนตัวเราจึงทสะสำเร็จมกผลเดี๋ยวนี้ตัวของเรา เดี๋ยวความชั่วกระทวงไปเดี๋ยวความดีก็ถ่วงมาต่างคนต่างพ้องพากันคิดอ่านให้ดีเถิดในชีวิตของตนทุกคนต่งางแค่เมื่อเราเป็นเด็กแปลว่าเมาในการเล่นเราเป็นบ่าวสาวแปลว่าเมาในการวัยของตนอายุขอบครัแล้วตัวเราก็เมาในการหาสิ่งของ สัมภะใดๆให้ครอบครัวของตนไม่รู้ว่าบุญบาปการใดขอให้มีรายได้ก็เป็นการพอประกานใดๆอันนี้ให้เราคิดนึกในตัวของเราให้พึกงผลให้เป็นนิสัยให้เป็นปัจจัยนิสัยยะปัจจโยเป็นอุปนิสัยปุเรชาตาปัจจิโยนิสัยปัจจัยแต่ปุเรกชา พ, าาา พ, ยยพัฒชาชาติพัฒนโยชาในปัจจุบันให้เราคิดนึกให้เพิ่มความดีจะไปเพิ่มความชั่วในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ตัวของเราที่เป็นบุตรชนหน้าที่ของพวกเรายัางจะเกิดต่อไปในโลกอีกหลายทกชาติหลายทุกท่กว่าพวกเราจะตใจ ช, ชนะสิ่งความชั่ชวดๆ ยังจะได้สําเร็จมากผลให้เราทุกคนจงคิดนึกพิจารณาตนของตนในชีวิตนี้ตัวของเราเกิดมามีรูปร่างกายและชีวิตอวัยวะยืนยาวกันมาถึงกระลาวดีวนี้อันนี้พันธะบุญกุศลของตนที่ได้สะสมไว้แล้วที่เบื้องหลังตนของเราจึงได้มีอายุยืน สองเราไม่ผู้มีศรัทธาความเชื่อในทางพุทธศาสนาประกอบความดีของตอนผู้ละเล็กผู้ละน้อยอยู่ในชีวิตของเจ้าของพอชนะให้เราคิดนึกแต่นี่ต่อไปชีวิตของเราต่อไปมอนะ่น้าใครจะรู้จากใดว่าจะยืนยาวอีกไปกปี่ปีอันนี้ให้เราคิดนึกมีชีวิตอิบััดเดียวในหะ้ให้พ่อมพากันตั้งใจ ขยันทำความดีของตนให้มากความดีด้านหนึ่งไหวพระเช้าเย็นทุกวันใหญ่คาสองมีชินห้าประคับประคองตัวของเราอยู่ตลอดกันไปสามเลี้ยงวิดามารดาปูญยาตายายผู้มีคุณแก่ตัวของพวกเราทุกคนสี่ตัวของเราทำความเคารพคนเข้าคนเก่ วิยาอุชโระุณวุชโรประการใดๆอันนี้นะเป็นบุญกุศลในการเบิ้งต้นที่เรายังมีชีวิตอยู่ในเวลาบัจจุบันนี้และการที่เราพิจารณาว่าหนึ่งความเกิดต้องมีความตายสองมีหนุ่มแล้วต้องมีแก่มีสุขแล้วต้องมีทุกข์มีดีแล้วต้องมีชั่วมีโง่แล้วต้องมีความสลาน อันนี้การเกิดในโลกของพวกเราชีวิตที่มันสลากชีวิตนั้นเราได้ละเวน้นสิงของมึนเมาในตัวของเรามาแล้วเบื้องหลังจึงได้เป็นคนผู้มีความคิดอ่านประการใดๆสองตัวของเรานั้นเองที่เกิดมามีทรัพย์สินเข้าของเงินทองการอยู่กินใช้กันปัปมาได้รับความสะดวก ประการใดๆอันนี้แปลว่าอนิสัยเราเคยพบว่าบันดิตเช่นองค์พุทธเจ้าพระอรหันต์ปฏจกระปุทธษาในสักการบูชาในปัจจัยทางศีจึงได้มีปัจจัยเลี้ยงชีวิตร่างกายของตนให้เราทุกคนยงคิดนึกในเวลานี้เรามีศรัทธาความยินดีพอใจในทางพุทธศาสนา อันนี้แปลว่าเราเคยปะาผลเคยสะสมกันมาตั้งแต่อนเนกชาติแล้วแต่มันยังไม่ทันชัยชนะจึงเป็นอาธิบุตุชนยังจะเกิดอีกต่อไปในโลกอีกนี้อีกต่อไปจะที่พบกิชาติกว่าพวกเราชัชนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้สำเร็จหมักผลเหล่านั้นท่านเข้ากาทูนองพระพุทธเจ้า เพราะเพราะนั้นพระพุธธะทธการที่ประพุท ธ, ธแต่การได้ทำความดีของตนมาจนตลอดในการเกิดการตายและการมีชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เประการใดๆเป็นเปรตเป็นผีประการใดๆกระดูกร่างกายที่เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ตายทับถมอยู่เป็นดินแน่นี้เท่ากับกองผูเขาลูกหนึ่งถ้ามันไม่พลุพังประการใด อันนี้เรื่องการเกิดเรื่องการตายผู้ที่รู้จากอดีตของตนขอบเป็นมาพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้ากับทูลองค์พุทธเจ้าพวกเราก็ยังเดียวดานกันนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเคยผ่านพบปะพุท ธ, ธกันมาแล้วจึงไม่มีนิสัยปัจจัยแต่ยังมาทันไชชนะเราทุกคนจงคิดอ่านแก้ไขตนของตน ให้เป็นคนเขารู้จักว่ารักษาตัวเจ้าของอยู่เสมอเพื่อเนียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนของตนต้องเป็นที่ขึ้นของตนตนของตนต้องเป็นสอนตนของตนตลอดไปในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ติดตามนําตัวของเราทุกคนตลอดไปบุญไม่เห็นเป็นตัวบาปไม่เห็นเป็นตัวใหไม่เห็นเป็นตัว แต่ใจเป็นผู้มีกำลังที่สุดสามารถยกเอาร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาในโลกประการใดๆขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นได้ขึ้นภูเขาก็ขึ้นได้ลงน้าลึกก็ลงไปได้วิ่งก็ได้แบกของนักของเบาก็แบกได้ประการใดเพราะใจกําลังนั่นเองใจของเราผู้มีกําลังบังคับให้ร่างกายนี้ทําไปในทุกประการอันนี้ละ บุญกับบาปจึงได้เป็นสมบัติของใจใจจึงมีอยู่บุญก็อยู่ในกับใจบาปก็อยู่กับใจสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติความดีสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติความชั่วสะสมมาแล้วแต่อเนกชาติบาปนี้เราจะเพิ่มความชั่วให้มากหรือจะเพิ่มความดีให้มากให้เราคิดนึกตัวของตัวเราทุกคนตลอดต่อไปจึงจะเป็น ผลผลประโยชน์ความสุขของตนพ้นจากภัยอันตรายที่การเกิดในโลกการในใดฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนจึงจะเป็นผลความดีของตนต่อไปภายหน้าเราจึงจะได้พบพระองค์พระพุทธเจ้ตาต่อไปเมืหน้าอีกจากที่งองค์ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราคืออะไรคือใจนั่นเอง ล่างกายอะไรที่มันเป็นบ้านของใจตัวเราทุกๆคนนั่นเองต้องเป็นคนผู้รู้จักว่าจะไปเกิดที่โน้นจะเกิดที่นี้มันต้องใจเป็นผู้พาไปเกิดใจเป็นผู้ถือบุญกับบาปพาไปเกิดเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราเดี๋ยวนี้มันบุญมีอยู่แล้วในใจของตนบาปมันมีอยู่แล้วในใจของตน เราคิดอ่านว่าจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตวเราทุกคนจงคิดอ่านจึงจะเป็นผลประโยชน์จะได้สําเร็จมาผลต่อไปฝ่ายข้างหน้าเพราะความดีชัยชนะชิงความชั่วใดๆในชีวิตของตนที่การเกิดมาในเวลาบัด น, นี้จงคิดอ่านเถิดท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยอย่าได้พ้นพา ข, อขอันพลเสผลประโยชน์ในชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบความผู้ศรัทธศาสนาแล้ว อายุวัตโกธนวัตโกชีววัตโกเยจวัตโกภะวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพธาอายุวัตกะชนวัตกะชีววัตกะเยจวัตกพละวัตกะวันวัตกะสุขวัตกาโหตุสัพพธาอายุวันโอสุขังภะลัง